บทที่80อาหารทิพเวลาตีสี่ท่านพระครูตื่นนอนตามปกติแต่ว่ายังไม่หายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและอยากนอนต่อหากก็ต้องฝืนใจการออกทุดงก็เพื่อต้องการมาขัดเกลาถ้ามัวแต่เห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆการนอนก็จะพลาดโอกาสในการบรรลุธรรมอันควรจะได้ควรถึง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 หากไม่ตายด้วยสัตว์อื่นก็อาจตายด้วยน้ำมือของมนุษย์นอกจากนี้ก็ยังมีธรรมชาติที่จะต้องผเผชิญยังไม่มีทางหลบเลี่ยงโดยเฉพาะภัยจากไฟป่าซึ่งล่าชีวิตพวกมันไปคราวละมากๆได้รัชฐานมีกรรมเช่นนี้เองหนอตื่นนอนแล้วภิกษุวัย45จึงปฏิบัติกรรมฐานด้วยการนั่งภาวนา2ชั่วโมงเต็ม ออกจากกรรมฐานแล้วจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์จากนั้นจึงกู้กรดและเก็บอย่างเรียบร้อยพร้อมที่จะออกเดินทางต่อไปนกกาเริ่มบินออกท่านเองก็รู้สึกหิวหากก็ยังไม่รู้ว่าจะได้อาหารมาจากที่ใดครั้นได้ยินเสียงน้ําใสไหลยอยู่ใกล้ๆจึงเดินไปยังทิศที่มาของเสียง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 เดินไปได้ไม่นานก็พบภิกษุรัตัญยูนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรใบดกหนารากย้อยห้อยระยะลงมารายรอบโคนต้นภิกษุวัยส5เห็นกรดและบาทของอาจารย์แขวนอยู่ที่กิ่งไทรเหมือนตอนพบท่านที่ขอนแก่นเมื่อ20สิปีก่อนจึงวางสัมภาระลงแล้วกราบอาจารย์สามครั้งหลวงพ่อดำลืมตาทักทายว่า เป็นอย่างไรบ้างหลับสบายดีไหมตั้งแต่บวชมา2ี่สิบกว่าปีผมยังไม่เคยหลับสบายเลยครับหลวงพ่อโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้หลับเลยหลวงพ่อก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังแกล้งถามผมท่านทำทีเป็นตัดเพาะแต่เธอก็ผ่านอุปสรรคมาได้ นั่นเพราะหลวงพ่อเดิมกับสมเด็จโตท่านมาช่วยผมตั้งหากล่ะครับถ้ารอให้หลวงพ่อช่วยผมของมอด ม, ม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นปละแปลปิ้งไปแล้วสิทธิจงใจเล่าทั้งที่รู้ว่าอาจารย์รู้เธอแน่ใจหรือว่าเราไม่ได้ช่วยแน่ใจครับแน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ ก็ที่เราเตือนเธอนึกถึงคำสอนของสมเด็จโตนะ่ะไม่ใช่ช่วยหรอกหรือถ้าเราไม่เตือนไว้ก่อนเธอเป็นปลาแปบปิ้งอย่างที่ต้องการแน่ใครว่าผมต้องการเป็นปลาแปบปิ้งล่ะครับจะไปรู้หรือเธอพูดออกบ่อยก็นึกว่าต้องการภิกษุรัตัญยูยอมเถียงด้วย ท่านไม่เคยเห็นสมณาสารูปใดมีอารมณ์ขันแแปลวเช่นรูปนี้มาก่อนที่พูดบ่อยๆเพราะกลัวว่าจะเป็นตังหากล่ะครับคือไม่ต้องการเป็นแต่กลัวจะเป็นสิทธิอัฏฐาธิบายอยู่ที่กรรมนะถ้ากรรมจะต้องเป็นก็ต้องเป็นกลัวหรือไม่กลัวก็ต้องเป็นแต่ถ้าไม่มีกรรมที่จะต้องเป็นก็ไม่เป็น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 แล้วผมจะช่วยอะไรเขาได้ไหมครับผมอยากช่วยคนให้พ้นทุกข์ช่วยได้แน่แต่เธอต้องช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์ได้สิก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นอย่าลืมว่าประโยชน์ตนต้องมาก่อนประโยชน์ท่านถ้าประโยชน์ตนยังมาไม่ถึงแล้วจะไปเข้าถึงประโยชน์ท่านได้อย่างไรขอให้นึกถึงพระพุทธเจริยาที่ทรงประพฤติปฏิบัติ ดังปรากฏในพุทธคุณสองซึ่งได้แก่อัตหิตาสมบัติกับปารหิตาสมบัติพระพุทธองค์ทรงถึงพร้อมแห่งประโยชน์ของตนก่อนทรงเข้าถึงพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นอัตนาถัคคือพึ่งตนเองได้เมื่อถึงพร้อมแห่งประโยชน์ตน ที่เรียกว่าอัตตะหิตตะสมบัติแล้วจึงทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นที่เรียกว่าปริหิตตะปฏิบัติทรงบำเพ็ญพุทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและทรงถึงความเป็นโลกกนาตคือเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้พุทธคุณข้อแรกคืออัตหิสมบัตินั้นมุ่งเอาปัญญาคุณเป็นหลัก ส่วนพุทธคุณข้อที่สองคือปริหิตาสมบัติมุ่งเอาพระกรุณาคุณเป็นหลักถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆคือเราต้องว่ายน้ำให้เป็นเสก่อนจึงจะสามารถช่วยคนตกน้ำได้ใช่ไหมครับถูกแล้วแต่การช่วยของพระพุทธองค์ก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงอุ้มเขาขึ้นมาหรอกนะเพราะพระพุทธศาสนามีหลักคาสอนเรื่องความเพียร ตัวเองต้องช่วยตัวเองจึงจะพ้นทุกข์ภาษาบาลีว่าอย่างไรหนะ้าอาจารย์ทดสอบความรู้สิวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรและอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปะโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ครับสิทตอบชัดเจน ถูกแล้วคําสอนของพระพุทธองค์เป็นธรรมชาติเพราะธรรมก็คือธรรมชาติที่พระพุทธองค์ทสงค้นพบทรงเข้าถึงธรรมแล้วจึงนํามาสั่งสอนเวนยบุคคลทรงเน้นเรื่องการเพียรพยายามมากดังนั้นมีพระพุทธวัจนะว่าตุมเหหิกิจจังอตตปังอค า, าตาโลตถาคตาความเพียรพยายาม เธอทั้งหลายต้องทำเอาเองเราตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เธอกราวหาว่าเราไม่ช่วยนั้นเราขอแก้ข้อกราวหาว่าเราช่วยแล้วแต่ช่วยในขอบเขตที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านวกกลับมาพูดเรื่องเดิมถ้าเช่นนั้นผมขอถอนคาพูดครับ และถ้าผมจะสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปในอนาคตผมจะยึดแนวทางของหลวงพ่อครับคือจะสอนให้พวกเขาช่วยตัวเองพึ่งตัวเองเราก็ยึดแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนไม่แช่แนวทางของเราอย่างที่เธอเข้าใจหรอกนะเอาเป็นว่าทั้งเธอและเราต่างก็เป็นศิษย์พระตถาคตเจ้าและดำเนินรอยตามพระองค์ท่าน ครับหลวงพ่อผมจะจดจำไว้เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติถึงอย่างไรผมก็เป็นหนี้บุญคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตารับผมเป็นศิษย์และช่วยทำให้ผมเข้าใจพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นพูดจบจึงก้มลงกราบอาจารย์สามครั้งอย่างสำนึกในบุญคุณ เป็นบุญคุณของเธอตังหากเธอเป็นคนมีปัญญาสามารถเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงมิใช่เข้าใจตามตัณหาอุปทานของตนบุคคลเช่นเธอนับวันจะหายากเข้าไปทุกวันล้านคนจะมีสักคนหนึ่งก็ทั้งยากหลวงพ่ออย่าชมผมเลยครับผมเขินภิกษุวัยส5้ารู้สึกเขินดังวาจา เอาเถอะตอนนี้เธอรู้สึกเขินแต่อีกไม่นานจิตของเธอก็จะอยู่เหนือคำติคำชมอยู่เหนือโลกกระททั้งแปดร้อยคำของภิษุรัตัญยได้อย่างความปิติยินดีได้อย่างความปีติยินดีดนดให้บังเกิดแก่สมภารวัดป่ามะม่วงอย่างสุดเพรพน า, นาเพราะนั่นเท่ากับท่านสามารถจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุด ในพระพุทธศาสนาได้ด้วยว่าจิตที่อยู่เหนือโลกธรรมทั้งแปดจะต้องเป็นจิตของพระอรหันต์เท่านั้นแต่ถึงจิตจะปิติยินดีหากท้องก็ยังรู้สึกหิวท่านมองไปยังบาดซึ่งแขวนอยู่ที่กิ่งไซถามหลวงพ่อดำว่าหลวงพ่อฉันเช้าหรือ ย, ยังครับเธอหิวแล้วใช่ไหมหลวงพ่อดำไม่ตอบแต่ถามกลับ ก็หิวเหมือนกันครับตอบตามตรงแสดงว่าตอนนี้เธอหายกลัวแล้วครับพอหายกลัวความหิวก็ตามมารังควานแล้วเธอว่าอย่างไหนร้ายกาจกว่าความหิวกับความกลัวผมว่าร้ายพอๆกันล่ะครับถ้าให้เลือกจะให้เลือกอย่างไหนผมขอสละสิทธิ์ทั้งสองอย่างหลวงพ่อฉันเช้าเรียงครับ สิทธามอีกอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยเล่าให้ฟังเมื่อ20ิบกว่าปีก่อนหลวงพ่อในป่าท่านไม่ออกบินธบาดเพียงแต่แขวนบาดไว้ที่เก่งไซพอถึงเวลาท่านก็ปลดลงมาและชั้นอาหารอยู่ที่ในนั้นเสร็จแล้วก็ล้างบาดแขวนไว้ดังเดิมท่านพระครูเชื่อในสิ่งที่อดีตผู้ใหญ่บ้านเล่า กระนั้นก็อยากรู้อยากดูให้เห็นกับตาและหากโชคดีอาจารย์ของท่านอาจจะเมตตาแบ่งปันส่วนให้ลิ้มลองอาหารทิพท่านแน่ใจว่าอาหารในบาทต้องเป็นอาหารทิพอาจารย์ล่วงรู้ความคิดของสิทธิจึงพูดขึ้นว่าเรื่องที่เธอกําลังคิดนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมจึงเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะบุญกุศลเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็อยากแบ่งพัดให้เธอฉันแต่ก็ไม่ได้เพราะพัดที่อยู่ในบาดนั้นเจ้าของเขาเจาะจงถวายเราคนเดียวแต่อย่าเพิ่งหมดกาลังใจอีกไม่นานเธอก็จะทำได้อย่างเราหมายความว่าอีกหน่อยผมจะแขวนบาดไว้จะมีอาหารที่มาให้ฉันอย่างนั้นเหรอครับถูกแล้ว และจะมีคนเอาอย่างเธอคือจะมีนักบวชพวกหนึ่งที่สักตวะวโกนหัวหมผ้าเหลืองแต่ไม่อบรมกายอบรมจิตพอเขาเห็นเธอทำได้เขาก็จะทำบ้างโดยใช้วิธีเล่นกลหลอกให้คนอื่นเชื่อแท้จริงเขาทำไม่ได้แบบนี้ก็บาปแย่สิครับแล้วพวกเขาไม่กลัวบาปกลัวกล้มเหรอครับเพราะเขาไม่กลัวนสิจรงทรม ถ้ากลัวจะทำหรือแต่เธอไม่ต้องวิตกใครทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นเข้าหนีกรรมไปไม่ได้เลยเอาละเรารู้ว่าเธอกำลังหิวไปหาอะไรฉันรองท้องเธอเดินลงเนินแห่งนี้ไปสิบกว่าวาเธอจะพบเสร็จแล้วค่อยมาคุยกันต่อและหลวงพ่อฉันหรือยังครับเธอถามแบบนี้ มาสามครั้งแล้วนะก็หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบผมสักครั้งเดียวถ้าไม่ตอบผมจะถามอีกเป็นครั้งที่สี่ที่ห้าที่หกหลวงพ่อฉันหรือยังครับแม่หิวก็ยังมีแก่ใจยั่วยาวใกล้เที่ยงเราจะฉันเอาละเธอไปจัดการทำธุระของเธอได้แล้วคำว่าธุระที่นี้หลวงพ่อดำใช้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 จึงเดินเข้าไปใกล้แล้วเอื้อมือออกไปปลิดผลนั้นมาถือไว้นึกแปลกใจว่าทาไมทั้งต้นจึงมีแต่ผลเดียวเป็นผลไม้ที่ท่านไม่เคยพบเห็นมาก่อนผิวเรียบสวยคล้ายมะเขือขนาดเท่าผลมะตูมอย่างไรก็ตามท่านต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอเช่นก่อนว่าฉันเข้าไปแล้วจะเป็นพิษเป็นภายต่อร่างกายหรือไม่เห็นหนอรายงานว่า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 ว่าหลวงพ่อดำจะอยู่บริเวณนั้นครั้นจะอ่านข้อความที่โขดหินอีกครั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีตัวอักษรเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียวภิกษุวัย45จึงตกลงใจว่าจะทำตามที่อาจารย์สั่งเพราะนั่นคงเป็นวิธีที่ดีที่สุด